อาตั้งใจอนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีลักษณะอยู่ในตัวของมันเสร็จทุกคนต้องกาหนดพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองอย่าประมาท ลักษณะสามประการนั่นคืออะไรคือของความไม่เที่ยงย่อมมีความยักษ์ใหญ่แปลผันไปมาอยู่เสมอกับความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากกับความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นในโลกสันิวัตอันนี้จะมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งนั้นเลย mm hmm. ก็เพราะฉะนนั้นแหละ พระเทเจ้าก็จึง ท, ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี้นำจิตตรงนี้ให้พ้นจากลักษณะสามประการนี้ที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระนิพพานย่อมไม่มีลักษณะสามประการนี้อยู่ในพระนิพพานเลย ชีวิตจึงไม่ได้เล่ล่อนพาเนจรไปเที่ยวหาเกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปแต่วิสัยของคนผู้ประมาทผู้มัวเมาผู้ไม่มีสติ กำหนดพิจารณากายใจอันนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ต้องปรารถนาอยากจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอย่างเนี้ยเรื่อยไปเกิดมาเป็นคนแล้วไม่อยากตายนี่หาวิธีป้องกันเนี่ยป้องกันอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันไม่มีวิธีป้องกัน ไม่ให้คนเราเกิดมาแล้วไม่ให้ตายอย่างนี้มันไม่มีดังนั้น <c oughs> ก็จงมาปฏิบัติธรรมกันภาวนาสมาธิกันเพื่อจะได้เพิกความหลงความไม่รู้นี่ออกจากกิจใจเมื่อความหลงมันระ ง, งับไปแล้ว ความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนวันนี้มันก็จะได้รู้ลักษณะสามประการซึ่งมีอยู่ในร่างกายอันนี้โดยแจ้งชัดมเมื่อพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอยู่แล้วคนเราเน่ะมันจะต้องเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกแล้วก็จะค้นหาเหตุปัจจัย ที่มันให้นำมาตกแต่งให้เกิดนามเกิดรูปอันนี้ขึ้นมามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร <c oughs> มันก็ไม่ยากอะไรนี่นะตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำว่าเกิดทุกข์นั่นก็คือเกิดมีขันหานี้เนี่ยเพราะเมื่อมีตัณหาแล้วมันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น เม้่มันยึดมั่นถือมันไว้อยกันแล้วแล้วทําอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมไปทําดีก็เป็นกรรมดีทําชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละวะนี้นําจิตวิญญาณดวงนี้ไปปฏิสนธิในท้องของมารดาถ้าผู้มีบุญหน่อยก็ได้ไปปฏิสนธิในท้องของมนุษย์ถ้ามีผู้มีบาป ขอสมควรอย่างนี้มันก็จะนำไปปฏิสนธิในท้องของสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปรับใช้มนุษย์คนมีบุญน้อยอเป็นางา น, นเนี่ยที่ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น มันพาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้น่ะขึ้นมารูปนามทั้งก้อนนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนสุขทําไมจึงว่าเป็นก้อนทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปลปวนจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้มันก็ทนได้ยากลําบาก ถ้าไม่รู้เท่าเรายิ่งทุกข์หลายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจก็กระวนกระวายบางคนก็เลยคิดฆ่าตัวตายหนีจากทุกข์ไปซะมันทนไม่ไหวผู้ใดทนไหวทนได้ก็ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเอาทนไปจนกั่วมันจะหายหรือจนกั่วมันจะตาย อันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเองเพราะคนไม่เห็นทุกเห็นคนไม่เห็นขันห้านี่ว่าเป็นก้อนทุกนี่แหละมันจึงหวงเห็นมันใช่มันไปทำบาปพ่ออยากได้สมบัติมาบำรุงพลปือขันหานี้ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นขันหานี้เป็นก้อนทุกข์ท่านจึงไม่ได้ใช้มันทำบาปนันี่ใช้มันทำแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปพูดแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะไหนๆมันก็จะแตกแกดับอยู่แล้วนี้จิตใช้มันไปทำความชั่วทำไมใช้ไปทำความชั่วแล้ว แต่ผู้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นก็คือดวงกิตดวงนี้ไม่ใช่น้ํารูปอันนี้มันไปเสวยผลแห่งความชั่วนั้นน้ำรูปนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองมันไม่ไปไหนอ่ะวันนี้จิตนีสิเป็นผู้แบกภาระไปวันนี้นะ เมื่อมันยึดเอาก ร, รมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปเกิดในที่ชั่วที่ทุกข์ที่ลําบาก เ, ออเมื่อมันยึดเอากรรมดีไว้ได้ก ร, รมดีมันก็นำไปเกิดที่สุขสบายมันก็ต้องอาศัยบุญกรรมนี่แหละไปก่อนอันบุคคลผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดนี่นะ จ่ต้องอาศัยบุญกรรมอ น, นี้บุญกรรมก็ไปตกแต่งขันห้าให้แต่มันก็ตกแต่งให้ดีแบบ น, นี้บุญตกแต่งให้เมื่อได้ขันห้าที่ดีมาแล้วก็ได้มาสร้างบุญกุศลสืบต่ อ, อก็เหมือนอย่างเราทุกคนที่ปรากฏเกิดมาในโลกนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยผู้ที่มีบุญติดตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้น เป็นขันห้านี่มาก็เป็นขันดีเป็นขันที่ไม่บกพร่องแล้วก็มีศรัทธามาปฏิบัติสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาอุบายสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าไม่มีขันห้านี่บุคคลก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลต้องเข้าใจแต่ดวงจิตที่ไม่ฉลาดแล้วเมื่อได้มาอาศัยขันห้านี่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ขันห้านี้สั่งสมบุญกุศลได้ก็มักจะใช้ขันห้านี้ไปสั่งสมบาปมากกว่าการสั่งสมบุญเป็นองนั้ม เพราะฉะนั้นจึงว่าบุคคลใดเป็นผู้สนใจในการฟังทำคําสั่งสอนของพระทธ่เจ้าบ่อยๆมันก็ทําให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อมันได้ปัญญาความฉเฉลียวฉลาดแล้วมันก็รู้จักเอาตัวรอดจากบาปจากโทษได้หาหนทางเว้นจากบาปจากโทษต่างๆนี่ ก็เรามองเห็นแล้วว่าขันห้านี่มันไม่กิรังยั่งยืนอะไรอ่แล้วแต่ว่าขันหานี่มันก็มีคุณต่อดวงจิตนี่มากมายถ้าจิตฉลาดแล้วเราได้อาศัยขันหานี่สั่งสมบุญกุศลก็อย่างที่ว่ามานั่นไเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้ก็ใช้ขันหานี่แหละไปขนขวายหาวัตถุทายทานต่างๆได้มาก็ดี ถ้าไม่มีขันห้านี่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขอนายหาวัตถุทายทานมาทําบุญทำทานได้อาศัยขันหานี่แหละรักษาศีลถ้าไม่มีขันหานี่ก็จะไปรักษาอะไรแล้วรักษาศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาไม่ให้ประพฤติผิดิขาบตรวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบรร ญ, ญัติไว้ดีแล้วนั้นทั้งคารือหัดทั้งนักบวชก็าอาศัยขันห้านี่นะสํารวมในวินัยก็ดีสํารวมในศีลห้าศีลอุปสมบก็ดีวันนี้การภาวนาก็อาศัยขันห้านี่ยนั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่มีขันห้านี่แลนะก็ มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ฝึกข้นจิตดวงนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นขันธ์อื่นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกข้นจิตนี้เลยมีมีแต่ไปสวุยวิบากกรรมอยู่อย่างนั้นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะมันจะทำอะไรได้ล่ะมันจะฝึ ก, กจิตใจได้อะไรล่ะคิดดู มันก็มีถ้าอยู่ไปตามยถ า, ากรรมเฉยๆหมดอายุสังขารแลว้วก็ตายไปเท่านั้นเองตายแล้วจิตมันก็เล่ยล่อนไปตามยถ า, ากรรมอีกแหละไปหาที่เกิดไหมออ่าบุญไม่มีก็เกิดมาเป็นสัตว์อีกมาให้เขาฆ่าชำแหละเนื้อเอ่ปรุงเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นเองอย่าไปเข้าใจว่า จิตใจของคนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นหน้าเดียวนะไม่แน่เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลขึ้นในต้นอย่างเนีนะ้บุญน้อยอย่างเนี้ยบุญมันจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้อย่างงี้มันก็ต้องดันไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานเพราะบุญน้อยนี้ เพราะกลัวจะได้เกิดว่าเป็นคนที่ต้องมีบุญมากพอสมควรทีเดียววะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรออย่างไรก็ได้มาเกิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่อา้าวใช่งั้นคนขี่กระจกก็ง้ายหมดนั่นแหละทํำไมมาเกิดได้อันนั้นคนเหล่านั้นเป็นคนมีบาปกรรมติดตัวมา แต่บาปกรรมมันมันลดน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะมันพ้นจากนรกจากเปรตจากอสุรกายมาแล้วจากสัตว์ดาบฉานมาแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบาปกรรมนั้นมันติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ในสมประกอบคนเหล่านั้นนะเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจตามนี้ คนที่มีอ ว, วัยวะร่างกายสมบูรณ์นี่แสดงว่ามันพ้นจากกรรมจากเวร ต, ต่างๆมาแล้วแต่นั่นแหละบางคนมันก็ยังมีกรรมเวรติดมาอยู่แต่ไม่ถึงกับว่ามันทำให้ร่างกายนี้บกพร่องไปแต่มันก็มาทำให้ร่างกายนี้มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเปี้ยนจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตาย ก็ทนทุกทรมานไปเพราะว่ากรรมเวรมันมีทํายังไงล่ะตัวทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนไม่มีใครทําให้หรอกเรื่องหนี้นะเหมือนอย่างอันนี้ทานเรื่องเมียหลวงเมียน้อยนะท่านกล่าวไว้เลยอ้ยเมียหลวงนั่นนะ่ะพยาบาทเมียน้อย วันนี้เอาหมามุ้ยเนี่ยไปโรยใส่ที่นอนของเมียน้อยของพระราชาไว้เออนางภาคอีสานเรียกว่าหมักตำแย่เนี่ยเมื่อเมียน้อยเข้านอนนอนลงไปแล้วมันก็คันไปทั่วร่างกายคออันก็เกาจน มีเลือดมีน้ำเหลืองไหล ย, ย่มทนทุกทรม า, านวันนี้กรรมนั้นมันก็ติดสสยห้อยตามมาเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านั่นเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะนันชื่อว่านางโรหินีพอเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วกรรมนั่นตามมาทัน ก็ทำให้เกิดตุ่มคันผูพองขึ้นตามตัวน้ำเหลืองไหลยเยิ้มทนทุกทรมานคราวนี้ก็เข้าใจว่าเวนกรรมอันนั้นมันใกล้จะหมดแล้วมะจึงบรรดาลให้พระอนุรธธุทธะผู้เป็นพี่ชายไปเยี่ยมไปเห็นน้องสาวทนทุกทรมานอย่างนั้นก็เลยแนะนำ ให้รวบรวมเงินทองที่มีเอาไปสร้างหอฉันขึ้นในวัดเสียแล้วก็สร้างหอฉันขึ้นในบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วให้ในมนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัดตาหานว่าเง้น นางก็เลยทำตามพี่ชายสั่งรวบรวงเงินทองมาสร้างหอฉันขึ้นหลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำบุญฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัตนาหารในหอฉันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ชำเรืองพระเนตรไปไม่เห็นพนางโลหินีมา กราบมาไหว้พระองค์ก็ตัดถามมีผู้กราบทูลว่าพระนางอยู่ในห้องนอนมีความละอายใจมากเพราะว่าร่างกายไม่สะอาดเป็นตุ่มผกของน้ำเหลืองไหลเยิม้มไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมอยางนั้นพระองค์จึงทรงรับสั่งว่าไปให้ไปตามมา ต้องมาให้ได้เมื่อมีผู้ไปตามออกมาจากห้องนอนพอเดินมาเท่านั้นแหละมาพบพระพุทธเจ้าเขา้ามมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเท่านั้นไอ้โรคอันนั้นก็หายเป็นปกติไปเลยร่างกายก็เลยได้รับความสบายขึ้นมา ก็ไปกราบพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแสดงเรื่องกรร ม, มวิบากอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละแต่ก่อนนั้นได้ไปทาบาปอย่างนั้นนกรรมนั้นมันจึงได้ตามมาสนองเอาดังนั้นต่อ น, นี้ไปก็พึ่งอธิษฐานใจให้งดเว้นเลยไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนใครต่อไปอีก แล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาขันห้านี่เข้าไปถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้านี้จำตามเป็นจริงมันจะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นแล้วก็จะไปทำชั่วอีกต่อไปถ้าพิจารณาเห็นขันห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็จะไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำความชั่ว แล้วก็จ ะ, จะบันเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามองดูแล้วเห็นรูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนเมื่อร่างกายนี้ไม่เป็นของของตนแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะเป็นของตนมาแต่ไหนมันก็ปรองได้วางได้หมดแหละเมื่อวางขันหานี่วางรูปวางนามนี่ลงได้ ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วอย่างนี้มันก็โร่งวางได้ภายนอกมันก็วางอืสมบัติภายนอกมันก็ไม่ถือมันว่าเป็นของตนอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารเมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบลงนางโลหิตีก็ได้บรรลุโสดาปิผล ได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนี่คนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในในครั้งที่เป็นเมียหลวงของพระราชาอยู่นั่นก เ, เข้าใจว่าก็คงได้ทำบุญกุศลมาแหละแต่วันนี้ทำบุญทำทานตามธรรมดา ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้รู้บาปตามเป็นจริงไม่ได้รู้บุญกุศลอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ละบาปบาปก็ทำบุญก็ทำมาดิมันก็ติดตามมาให้ผลทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่มันให้ผลคนละทีกันอย่างว่า เวลาขณะที่บาปมันให้ผลอยู่นั่นบุญก็ยังให้ผลไม่ได้แท้ที่จริงนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นแล้วแต่ก่อนนั้นทำอะไรอยู่ <c oughs> ไม่ทำอะไรแหละบาปกรรมมันปิดบังไว้มันไม่ให้สนใจกับพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์อะไรสะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่เฉยๆ <c oughs> เป็นอย่างนั้น ขณะนี้เมื่อเสวยวิบากกรรมนั่นไปนานไปวิบากกรรมมันั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันจึงบันดาลให้มีผู้มาช่วยเหลือพอบาปกรรมมนั้นหมดสิ้นลงไปบุญมาให้ผลตอบฟังธรรมเข้าไปก็สําเร็จมรรคผลได้อนี่แหละที่ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปนี่มันก็ให้ ผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุ ก, ทกข์คู่คร่าวกันไปอย่างนี้เ อ, อ้าใครชอบอย่างนั้นก็เ อ, อ้าทำไปถ้าใครไม่ชอบอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปทำบาปมันที่ทำมาแล้วอธิษฐานละทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็จะหมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่บุ ญ, บญกุศลล้วนๆอยู่ในใจถ้าบุญยังไม่เต็ม ตายแล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องไปเกิดในภพใหม่ต่อไปอีกถ้าไปเกิดในภพใหม่ไม่มีบาปติดตามไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในระหว่างแห่งชีวิตก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงอะไรต่ออะไรไม่เสียองค์คระโ <c oughs> มนินะ มีร่างกายสมบูรณ์พุนสุขก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทำความดีให้เจริญโงกงามขึ้นในตนได้เต็มที่ถ้าได้เกิดพบพุทธศาสนาอย่างสมัยปัจจุบันอย่างนี้แหละก็ได้มาสนใจฟังธ ร, รมจำสินภาวนาอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้ สำหรับคนไม่มีกรรมมีเวรตามสนองนะผู้มีกรรมมีเวรตามสนองกดติดขัดจะฝึกคัดอบรมกายวาจาจิตของตนอย่างไรก็ไม่ันนัดเพราะว่าไม่มีแก่ใจที่จะทำได้เสวยแต่ทุกขเวทนาแต่ถ้าผู้ที่มีบุญกุศลอยู่บ้าง บางทีบาปกรรมนั้นมันก็เปิดช่องให้ทำให้โรคบรรเทาเบาวางไปพอได้หายใจโล่งหน่อยหนึ่งพอได้ภาวนาเวลาใดโรคใครมันเบาบางไปก็รีบภาวนาเข้าทำความเพียทางใจเข้าไปให้จิตนี้มันได้รับ บุญรับกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้นะก็ไม่ถอยสู้อืึก กิจใจของตนให้เข้มแข็งอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มัน่นทำความเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีที่รงกระทามาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำใจได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้กลัวอย่างไรมันก็ทำในใจได้สำหรับผู้ไม่ประมาท ผู้มีความเชื่อมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เป็นคนไม่มีสติอ้างว่าตนนั้นเจ็บป่วยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนาวิ่งพระพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เพราะมัวแต่สเสวยทุกขเวทนาอยู่นี่แล้วก็มักจะอ้างกันไปอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาท ผู้ไม่เคยฝึกตนมาเลยไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ยอมพิจารณาสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตใจมีตะวันไว้ไปตามทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็นวขาดทุน เ, ออเมื่อใจนี่มันไม่รับเอาบุญเอาคุณแล้วมันก็มันจะมีได้ที่ไหนล่ะ มันก็มีไม่ได้นั่นแหละเราไปวุ่นวายดินลนไปแต่กับทุกขเวทนาไม่ไม่อดไม่ทนไม่ยับยั้งใจให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่พอสมควรอย่างนี้นะมันมันจะมีบุญกุศลอะไรค้างอยู่ในใจนี้ได้ลนะลองคิดดูพอวันไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียว ถ้าหากว่าผู้มารู้ความจริงว่าทุกนี้เป็นของมีประจําอยู่ในขันห้านี้เมื่อมีขันห้านี้มาตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อดให้กลั้นให้อดทนต่อทุกขเวทนาทําความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นรู้อย่างไรรู้เท่าก็รู้ว่า ทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกนั้นทุกนั้นเป็นของเรื่องของขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วทุกก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหมือนกันก็ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้ อดสี่พ่าก็เมื่อทุกก็คือขันห้าขันห้าก็คือทุกอย่างนี้นะเมื่อเราอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวต่อขันห้านั่นเองก็ต้องปฏิบัติทางใจอย่างนี้สำหรับผู้ที่อยู่เป็นปกติก็ดีหรือผู้มีกรรมมีเวรอะไรก็ดีเราไม่ต้องย่อท้อ เพราะว่าจิตนี่มันไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรหรอกความจริงนยเป็นแต่ร่างกายเท่านั้นแหละจิตนี่มันก็เป็นแต่วความรู้สึกนึกคิดไปตามเรื่องต่งตางๆเท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาให้โรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นเอาแต่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะมันได้อาศัยอยู่ในรูปอันนี้อย่างใกล้ชิด พอรูปนี้มันวิบัติแปรปรูนไปมันก็กระทบกระทั่งกับกจิตนั้นอย่างแรงถ้าหากว่าผู้ใดเคยฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณมาแล้วเมื่อเวลาทุกข์มันมากระทบกระทั่งเข้าก็ไม่หวั่นไหวอดทนได้คนมีบุญนะคนมีบุญนี่ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่อมันนะ คนบุญน้อยนีย่มันอดทนต่อทุกทุกขเวทนาไม่ไหวเพราะใจเบาใจโลเลคนบุญน้อยดังนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมักจะล้มละลายไปเลยจิตนี่นะเรียกว่าวันไหวไปเลยไม่มีอดไม่มีทนเลยอดไม่ไหวเพราะว่าพอร้องก็ร้องพอครวนคลางก็ครวนคลางไป ใครทำอะไรไม่ถูกออกถูกใจก็ด่าตะพื้นตะพื้นไปใจกูมันไม่ดีมึงอย่ามาทำให้กูลำคาญเ อ, อเอาขึ้นมาแล้วมิทวาใจกูมันไม่ดี น, นั่นแหละก็ตัวเองฮกว่าให้ตัวเอง ตัวเองฮะกวนไหวไปตามกิเลส ท, ทุกขเวทนาเลยเลยว่าเป็นตัวกูตัวเขาตัวเราไปแบบ น, นี้นะมันเป็นยางัง น, นี่ไม่มีใครที่จะหยิบยกเอารูปเอาเอาดวงจิตอันเนี้ยมาดูได้เลยนั่นแหละแล้วยังจะไปสําคัญถ้าเป็นจิตเราใจเราอยู่งี่มันก็หลงสมมติแหละ ดังนั้นอย่ า, ย า, ยาหลงสมมุติกันต้องเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในนะั้นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนั้นก็จะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไม ทำไมไม่ฆ่าตัวตายไปเสียมันก็เฉลีรู้แล้วรู้ลอดตายแล้วมันก็จะสูญไปไม่ใช่เหรอถ้ามีผู้ตั้งปัญหาถามอย่างนี้เราก็จะต้องตอบเขาว่ามันจะทําอย่างนั้นไม่ได้ไอความเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขานี่มันก็ยังไม่ใช่ความเห็นที่ว่าจะเข้าถึงสัจธรรมก่อนะ มันเป็นแตเพียงเห็นลักษณะอาการของสังขารที่มันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนเท่านั้นเองวันนี้ที่มันจะเข้าถึงสัจธรรมจริงๆแล้วเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ปลงก็วางลงอย่าไปหมายมัน่นอย่าไปจำไว้อย่าไปจำรูปจำนามอันน้นอันนั้นไว้ในใจลงวางลงไปแล้ววันนี้ให้เหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวเท่านั้น กับสติเท่านั้นเองอเมื่อมันเหลือแต่จิตกับสติอยู่เท่านั้นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแบบนี้น ะ, ะ, ะเมื่อเมื่อมันมีจิตดวงเดียวมีอันเดียวแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถืออะไรเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยถีนไม่มีทุกข์อยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนน เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปคิดฆ่าตัวตายทำไมเมื่อมันไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั้นแล้วนะไอคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะไม่รู้เท่าทุกข์เพราะระเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้กุ้มใจหลายไม่มีทางออกก็จึงได้ฆ่าตัวตายผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านหาทางออกได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวาง ไว้ตามสภาพอย่างที่แสดงมาเนี้ยนี้แหละพูดเช่นนี้แหละเพื่อนจึงบรรเทาทุกขทางใจลงได้จึงไม่คิดฆ่าตัวตายเราเป็นชาวพุทธต้องดำเนินทางนี้ <c oughs> อย่าไป ด, ดำเนินไปตามทางของมารมารคือกิเลส น, น, น่ะมัน ชักจูงจิตใจให้คิดได้เห็นต่ำลงไปตรีราคาตัวเองต่ำที่สุดจนไม่มีราคาอะไรเลยจนถึงกับฆ่าตัวตายได้นี่แสดงว่ามันตรีราคาตัวเองลงหมดเลยความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยคนผู้นั้นมันถึงได้ฆ่าตัวตายถ้าผูใ้ใดยังมองเห็นด้วยปัญญาอยู่ว่า ขันห้านี่ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่ถึงว่ามันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็จริงแต่ว่ามันก็มีเป็นสถานที่อาศัยสร้างบุญบา ร, รมีอถึงมันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปวนเป็นบางครัง้งบางคราวมันก็เยียวยากันไปเมื่อมันหายแล้วก็เอาใช้มันทําความดีเรื่อยไป ก็ทำให้บุญบา ร, รมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคนมีปัญญารู้จักอาศัยขันห้าสั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นในตนได้คนไม่มีปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันไม่สามารถที่จะใช้ขันห้านี่สั่งสมบุญบา ร, รมีได้มักจะใช้มันไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าทำบุญคนไม่มีปัญญา มันก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าจนเป็นคนจนไม่มีเงินทองมากไม่สามารถที่จะไปหาอาหารโดยทางบริสุทธิ์มาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ต้องไปแสวงหาลงมือฆ่าด้วยตนเองบางหลายจนกาะเข้ามาริงกงก็ไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยเขา อย่างนี้ไม่พยายามที่จะทำการทำงานให้เป็นล่าเป็นสันได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายบำรุงครอบครัวคนคนบุญน้อยเนี่ยมีทั้งความเกียจคร้านมีทั้งอัดอัน้นตันปัญญามองหาช่องทางที่จะทำการทำงานได้เงินได้ทองมาไม่ไม่เห็นเลยมองมองไม่เห็นนะ เมื่อมองไม่เห็นแล้วนี่มันก็มันมองเห็นตั้งแต่คนอื่นเขาหามาได้สะสมไว้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาของเขามามองเห็นในทางเดียวนั้นนะมันก็ซ่องสมกันเข้าไปบรรดาพวกบุญน้อยทั้งหลายรวมหัวกันได้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาสมบัติพวกอื่นมาแบ่งกันใช้กันจ่ายไป ถ้าเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานไปตามยถากรรมนี่แหละลองคิดดูความเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ชาติก่อนน้นก็ไม่ได้ทำความดีเมาจะไปดื่มเหล้าเมาสุราเล่นการพนันขันต่อบางคนก็เมาไปเป็นเจ้าชู้ เป็นนักเลงเจ้าชู้มักมากในกามไม่ไม่เป็นอันได้ทำบุญกุศลความดีอะไรเลยโมนี้นะได้ทำก็ทำนิด น, น, นหน่อยเท่เานั้นแหละพอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมมันดีงามอยู่ในใจจึงได้กลายเป็นคนเฉยชาคนเกียดคล้านอ่อนแอเออ ทีนี้ถ้ามีใครชักชวนไปทำความชั่วไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงเอาของขึ้นเอาเป็นของตนเนี่ยเอาขึงขังขึ้นมาแล้วเพราะว่าจิตใจมันเคยชินทําอย่างนั้นมาแต่ก่อนดังนั้นเมื่อเมื่อมีผู้มาสนับสนุนในทางนั้นแล้วมันก็พอใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลําบากมมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่ทีนีถ้าผู้ที่ ได้ทำความดีได้ฝึกตนมาแต่ก่อนพอสมควรอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอะไรมันก็โดนบันดาลให้ได้พบกับนักปลัดบัณฑิตเมื่อพบหาเมื่อได้พบนักปลาดบัณฑิตแล้วฟังโอว่าคำสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นยินดีอยากจะฝึกฝนอบรมตนตามปฏิปทาของนักปลาดทั้งหลายนี่ เรื่องบุญและบาปเนะี่ยมันมีจริงอย่างนี้แหละใครว่าบุญบาปไม่มีอ่มันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนี่บุคคลใดมีบาปติดตามาเป็นคนใจดำอาไม่เหตุไม่มีมเมตตากรุณาเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ดาดื่นนี้ทำไมยังว่าบาปไม่มีบุคคลพูดสั่งสมบุญติดตัวมาแต่ก่อน เกิดมาชาตินี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อมันในบุญสืบต่อสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็มีอยู่เราก็เห็นกันอยู่นี่ เ, ออเมื่อเมื่อผลบุญจะก่อนอํานวยให้มีเงินมีทองเข้าของมาก็ไม่จะ อ, อืีก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจาศีลได้ภาวนาเออคนมีบุญเก่า เพราะว่าทางเบื้องหลังของครอบครัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่มีอยู่มีกินนะแม้ว่าจะไปพักผ่อนย่อนใจอยู่ในวัดไสวชั่วระยะหนึ่งก็ไปได้ไม่ผัดข้องทางเบื้องหลังอย่างนี้แหละลักษณะของคนมีบุญคนไม่มีบุญแล้วบางคนก็มีบุญ แต่ว่าบุญนั้นไม่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยศรัทธาเฉยๆผู้เช่นนั้นแ่ะทําบุญทําทานมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตาเลยอย่างนี้เมื่อบุญอ น, น, นั้นมาอํานวยผลให้ชาตินี้เป็นคนร่ํารวยมีเงินทองมากมายมีบริษัทบริวารหอ้องร่ม แต่ก็เกิดตนีเหนียวแน่นออไม่ยินดีในการบริจาคทานไม่สนใจในศีลธรรมลืมตัวนึกว่าตนมีความสุขพอแล้วออไม่ต้องไปทำบุญอีกต่อไปนั่นคนคนร่ำรวยไม่คขาวัดไม่ทำบุญทำทานก็เพราะมีความเห็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะเมื่อผูใ้ใดมีความเห็นเช่นนั้นก็เท่ากันกับว่า ตัดหนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงอันชีวิตนั้นมันจะเจริญไปข้างหน้าไม่มีทางเพราะว่าเมื่อมีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปชีวิตก็ลุกล่นไปหาความตายความแก่ความชลาภาพเข้าไปแล้วใน ในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินไปในความสุขชั่วคราวที่บุญกุศลมันอำนวยผลให้นั้นก็ไปติดอยู่ในผลของบุญเก่าที่ตนทำมานั้นไม่นึกคิดคิดไม่เห็นเลยแล้วว่าบุญเก่าที่ตนทำมานั้มันหมดเป็นนาเราต้องทำบุญใหม่สืบต่อไป เผื่อว่าบุญเก่าหมดแล้วเราจะได้สวยผลบุญใหม่ต่อไปไม่ได้คิดนี่คนบางคนนะอย่างมิคาราเศษถีข้อผัวของนางวิสาขา น, นั่นเองลูกสะพ้ยจัดอาหารใส่สำรับมาตั้งต่อหน้านั้นแล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปลูกสะั้ยก็คอยปนิบัติ ไปในขณะนั้นมีพระมายืนบินทบาทหน้าบ้านเศรษฐีนั้นเห็นแล้วก็ทำท่าไม่เห็นก็รับประทานอาหารเฉยไปแทนที่จะบอกลูกสะั้ยว่าพระมาไปใสบาตรก็ไม่มีแล้วลูกสะั้ยคือนางวิสาขาทนไม่ไหวก็จึงพูดกับพระว่านิ ม, มนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้า เวลานี้พ่อผัวของิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่พอพ่อผัวได้ยินคำว่าบริโภคของเก่าเนี่ยมังก็มุ้งไปนู่นนะว่าลูกสะพย้ยด่าตนว่าตนกำลังบริโภคอุจจาระอยู่พูดอย่างเปิดเผยอ่ะมันเห็นไปอย่างนั้นแหล้วันนี้ก็โกรธให้ลูกสะพ้ายแหมเราทานอาหารอันประนีบรรจงแล้วก็ ถ้วยที่ใส่อาหารก็ทองคำนุ่นซ้อนกระช้อนทองคำัะเนี่ยแล้วทำไมยังว่าเราวริโภคของเก่าอย่างนั้นลูกสะใภ้คนนี้ไม่ไหวต้องกาจัดออกจากบ้านนี่ไปก็ขับไล่ลูกสะใภ้ออกไปลูกสะใภ้ก็หัวหมอเหมือนกันคนมีบารมีมามันจะไปถอยคนได้ง่ายงไงอะ ลูกสภพ้ายก็บอกว่าอิสันก็ยังจะไม่หนีจากบ้านนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตั้งกรรมการสอสอบสวนความผิดของอิสันเนี่ยอิสันจะไม่ยอมหนีไปเด็ดขาดบอกงั้นมือนี้ก็จนะําเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้นแปดนายเอาสอบถามไปเธอได้พูดกับพ่อผัวอย่างนั้นจริงหรือพูดจริง แล้วคำพูดอย่างนั้นนะมีความหมายอย่างไรในความเห็นของของเธอกรรมการถามก็ตอบกรรมการว่าก็พ่อผัวของฉันนี่เป็นคนได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายบุญนั้นมาอำนวยผลให้จนเป็นเศรษฐีในชาตินี้นะก่อนนี้แหละพ่อผัวของฉันกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่ ไม่ใช่หมายถึงของต่ําอย่างนั้นคําว่าของเก่าหมายหมายเอาบุญเก่าที่ได้ทํามาแต่ชาติก่อนมันมาอํานวยผลให้ตกลงว่าพ่อผัวก็ต้องแพ้ลูกสะพ้ายบ้า น, นี้กรรมการก็ถามพ่อผัวว่าพอใจแล้วหรือยังที่ลูกสะพ้ยให้การนี่พอใจแล้วอื นางวิสาขาว่าถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีทอดแล้วใช่ไหมใช่เอาแล้ววันนี้ถ้างั้นดิฉันจะไปแล้วจะกลับไปบ้านแล้วจะอยู่กับพ่อกับแม่นั้นแล้วเอาแล้วพ่อผัวเกิดอะไรลูกสะพ้ยขึ้นมาไม่ยอมให้หนีออถ้าไม่ยอมให้หนีอย่างนั้นขอพรสักอย่างหนึ่ง เอาขอมาขออย่างไรก็จะให้ทั้งนั้นแหละอขอพรในที่นี้ไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรหรอกขออนุญาตทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประมาณห้าร้อยลูกข้อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาก็ได้ไปอาราธนานนมูลพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัฒตาหารในบ้านในวันรุ่งขึ้น พอจัดแจงอาหารใส่สำรับเสร็จก็เชิญพ่อผัวมานำสำรับอันนั้นเป็นถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกเดรถัถีที่นุ่งล้มโฮมผ้าเหล่านั้นนะเนียยวา่านักบวชไม่นุ่งหกไม่หกไ ม, ไ ม, ไม่นุ่งผ้านะเป็นในอาจารย์ของมีคารเศรษฐีในบ้านนั้นนะก็มาควบคุมเศรษฐีไว้ไม่ให้ไปติดต่อพระพุทธเจ้าได้ เศรษฐีก็เลยไม่ได้ยกสํำลับไปถวายพระพุทธเจ้ากต่คนอื่นยกไปถวายทีนี้พอพระองค์ฉันเสร็จแล้วพระองค์เริ่มจะแสดงธรรมลูกสะพ้ยก็ไปเชิญพ่อผัวไปฟังธรรมเอาพวกนักบวชนั่งก็ห้ามไว้ไม่ให้เศรษฐีไปฟังธรรมวันนี้ลูกสะพยก็ไม่ยอมลดละความพยายาม นอหนึ่งก็ไปเชิญพ่อผัวอีกพ่อผัวเตรียมตัวจะไปนักบวชแล้วนันก็ห้ามไว้ครั้งที่สามนี่วันนี้พ่อผัวตัดสินใจอ่ะไอ้พวกท่านจะมีอำนาจอะไรมาบังคับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะไปซะอย่างเดียวใครจะทำไม่อา่าถ้าถ้าจะไปฟังจริงต้องเอาม่านไปกั้นไว้ไม่ให้มองเห็นพระศาสดาเอากั้นก็กัน้น พวกนักบวชแล้วนั้นก็เอาม่านไปกั้นไว้บัณนี้บรรดานางวิสาขาหรือว่าคนอื่นก็ฟังเทศอยู่ในม่านต่อพระพักดิ์พระพุทธเจ้าส่วนมิคาราเสษถีก็นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านมเมื่อพระ อ, องค์แสดงธรรมนั้นจบลงมิคาราเสษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยบริษัทอื่นๆเสร็จแล้วจึงได้เปิดม่าน ่านเข้าไปกราบลูกสะพ้าก่อนนะเพราะว่ามองเห็นคุณลูกสะพ้ยนะโอ้ยถ้าไม่ได้ลูกสะั้ยคนนี้เราก็จะไม่ได้ดื่มอมรุต อ, อ, อ, อมอรุตรสคือรสแห่งพระธรรมอันทราบซึ่งถึงใจอย่างนี้ได้ก็จึงไปประกาศตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่า ไอ้ลูกสะพ้ายคนนี้เป็นมารดาของข้าพราะองค์วันนี้นางวิสาขาจึงได้ชื่อเพิ่มเข้าไปอีกว่านางวิสาขามิคารมารมดาแปลว่านางวิสาขาผู้เป็นมารดาของมิคารเศรษฐีทีนั้นมิคารเศรษฐีจึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสก นับถือพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตดังนั้นมานางวิสาขาก็มีอิสระในสมบัติในบ้านนั้นทั้งหมดเลยแบบนี้พ่อผัวก็ได้มอบให้จะใช้จ่ายยังไงก็ตามใจแบบนีนะ้ดังนั้นนางวิสาขาจึงได้บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลย นิมนต์ไปฉันที่บ้านวันละห้าร้อยลูกไม่ขาดไม่เกินเป็นอันว่านางวิสาขาต้องทำบุญทำทานทุกวันทุกวันทำทานเท่าไรเงินก็ยิ่งหลั่งไหลมาเป็นอย่างนั้นอันลูกนางวิสาขานะ่ะลูกชายสิบคน ลูกสาวสิบคนรวมเป็นยี่สิบแบนี้ลูกชายก็มีเมียลูกสาวก็มีผัวแล้วก็ได้หลานมาแบบ น, นี้นะเออได้หลานมาคนละสิบละสิบหลานเหล่านั้นเจริญวัยใหญ่โตมานางวิสาขาก็เรียกเอามาใช้เข้าครัวทําทําเป็นแม่ครัวทําอาหารถวายพระพุทธเจ้าเราพระสงค์ บางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสด็จไปฉันบ้านน้วิสาขาเพราะว่าที่อื่นเขาก็นิมนต์ทีนี่เมื่อว่างๆพระองค์ก็จึงเสด็จไปเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมนชีพอยู่ที่นํามาเล่าสูกฟังนี่บางคนก็ยังไม่ เคยได้ยินได้ฟังก็มีไม่ได้เห็นในตำรับตำราก็มีว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสานานี่เป็นอย่างไรท่านทำบุญทำทานกันอย่างไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะฟังกันเพื่อประดับความรู้เพื่อเป็นสักขีพยานว่าอันพระพุทธศาสานาเนี่ยนะประเสริฐจริง ตั้งแต่ขั้นเศรษฐีพระราชามาหากษัตรยังนับถือขันถึงคนชั้นสูงขนาดนั้นนับถือแล้วจะว่ายังไรบะนี่อันนี้ก็แสดงว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐเมื่อคนชั้นสูงนับถือแล้วคนชั้นกลางชั้นต่ำลงมาก็นับถือแหละบะนี้สำหรับคนผู้มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะคนที่ไม่มีบุญ ได้ทํามาแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะร่ํารวยมั่งมีอะไรมันก็ไม่นับถืออ่าแล้วมันก็น่าคิดอยู่ตรงที่ว่าเอาคนร่ํารวยนี่ที่ไม่ทําบุญนี่กะว่าเป็นคนมีบุญจึงร่ํารวยแล้วทําไมจึงไม่ทําบุญนี่มันน่าคิดนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแต่ชาก่อนน้องไม่จะทำบุญให้ทานเฉย ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละมานนี่ความห่วงความหวงอะไรมันก็มีอยู่ในใจพอบุญอนั้นอำนวยผลในชาตินี้ร่ลำรวยเงินทองเข้าของมาก็เกิดเสียดายขึ้นมาแนละหวงแหนซึ่งคิดไม่ได้เลย ว่าสมบัติเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับทำไมถึงจะมาหวงแหนว่าอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสอวิชชาโมหะนั้นมันปิดบังปัญญาไว้มดมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีเงินมีทองมากๆเร า, าให้ทานไม่ได้นั่น เหมือนอย่างอภุตคาเศรษฐีนั่นแหะตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเป็นเศรษฐีในสมานนั้นมีพระประเจพ้าเจ้าเกิดขึ้นในโลกเศรษฐีแต่เศรษฐีขี้เหนียววะเนี่ยไม่ได้ให้ทานอะไรเลยเมื่วันหนึ่งพระประเจ้าเจ้ามา ยืนบิณฑบาตหน้าบ้านเห็นเขาอะไรเนี่ยมาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เลยสั่งให้ภรรยานัเอ า, อาหารมาใส่บาตรให้พระประเจกตัวเองก็ลงจากบ้านไปธุระนอกบ้านพอดีพระประเจกท่านได้รับอาหารนบิณฑบาตนั่นเขาไม่ได้ทําบุญนี่พวกลูกเมียพวกคนใช้เขามีศรัทธาอยู่แต่ว่ากลัวอํานาจเศรษฐี พอเขาได้โอกาสทำเขาก็จัดอาหารดีๆมาใส่บาตรให้ท่านจนเกือบเต็มทุ่มวันนี้ท่านเดินออกไปพอดีเศรษฐีก็ไปธุระกลับมามาเห็น พ, พระเจงในเข้าก็ขอดูบาตรพอมองดูแล้วเมตโธอาหารนี่มีจาอันประนิตบรนจงแล้วกำมากจะด้วยท่านสมณะนี่ เอาไปฉันแล้วก็จะไปนอนหลับสบายอยู่เฉยๆ น, นี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แกเราเลยอาหารนี่ถ้าหากว่าเราเอาไว้แบ่งให้คนใช้ในบ้านเนะี่ยเขากินกันอย่างนี้เขายังได้ทางานให้แกเราเรายังมีรายได้บ้างคิดเสียดายอาหาร น, นั้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอันีิสงอยู่ พอเกิดไปชาติหน้าก็ไปเป็นเศรษฐีอีกแล้วล่ำรวยมีเงินทองมากๆแต่ให้ทานไม่ได้หวงอยู่อย่างนั้นอันนี้สง์ที่ให้สั่งให้ลูกให้เมียตักบาทชาติเดียวนั่นเท่านั้นแหละมันมันมากเพราะมันทำบุญกับพระปัจเจกผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาเนี่ยมันจึงอำนวยผลให้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ถึงเจ็ดชาติ ชาติที่เจ็ดก็มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะมีนามว่าอภุตตะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรกรรมเวรพาอได้ฆ่าลูกชายของน้องตายแต่ก่อนจะชาติก่อนนู่นกรรมลดตกแต่งให้เกิดมาชาติใดก็ไม่มีลูกแล้วมาชาติสุดท้ายนี้ก็ไม่มีลูกแต่มีสมบัติมาก ไม่ได้ให้ทานพอตายลงบัานี้พระเจ้าประเระสริฐนิโกศนก็ประกาศหาทายาทไม่มีใครเป็นทายาทรับมรดกนั้นเลยพระเจ้าประเระสริฐนิโกศนก็สั่งให้คนเอาเงินห้าร้อยเล่มบาบัดทุกเงินทองเข้าของอะไรไปไว้ในยุ่งในฉางในพระราชวังนุ่นแล้วก็ไปทูลถามผู้เทเจ้า อ, อาพุทกาศเศรษฐีมั่งมีเงินทองแล้วก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานเมื่อเขาตายแล้วจะไปที่ไหนหนอพระเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าอาพุธกาศเสศษถีนี่พระองค์พิจารณาดูแล้วว่าบุญกุศล น, น้อยหนึ่งก็ไม่มีติดตัวเลยว่างั้นเขาไปตกมาหาโรล้วนรกแล้วเมื่อไรเขาจึงจะได้เกิดต่านั้น เมื่อไรจรึงจะหมดกรรมหมดเวตนั้นเพราะองค์เจ้าตรัสว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาจึงจะพ้นจากนรกนั้นมาได้เพราะเขาไม่มีบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวที่จะช่วยให้เขาพ้นจากนรกอันนั้นมาได้ไม่มีเลยตกลงเป็นนั้นว่าอาพุตกาศเรศษถิตกมหาโรรุวะนรกไม่มีวันจะได้หลุดพ้น ค้นจากนรกอันนั้นเพราะไม่มีบุญติดตัวฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายได้สระตรับฟังแล้วให้พากันพินิจพิจารณาถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพยายามฝึกฝนอบรมจนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็จะ อำนวยผลให้เป็นสุขให้มีความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นจนวัวจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้